ขอนอบน้อมบูชาคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ครูบาอาจารย์ถวายความเคารพอาจารย์ทรงศินอาจารย์วัฒชัยพันเตเพื่อนสัธรรมิกเจริญพรแม่ชีและญาติธรรมทุกท่านครับ <c oughs> ทุกชีวิตที่เกิดมาแล้วนี้ก็ต้องการจะได้สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้ซึ่งบางคนแต่ละคนอาจจะต้องการไม่เหมือนกันแต่ในทางธรรมเห็นว่าการที่ได้พระนิพพานนั่นแหละเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่สูงที่สุด พระนิพพานเป็นบรมธรรมเป็นธรรมที่สูงสดุดทีนี้ปฏิบัติเพื่อให้ได้พระนิพพานหรือนิพพานนี้ไปบัติกันอย่างไรเพราะนิพพานนี้เป็นสิ่งที่เมื่อใครบรรลุแล้วบุคคลนั้นผู้นั้นจะไม่มีความทุกข์เลย พ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายพ้นจากการพบกับสิ่งที่ไม่น่ารักพ้นจากการพัดพากจากสิ่งที่รักพ้นจากการที่ไม่ได้สิ่งใดตามความปรารถนาคือเป็นชีวิตที่หมดปัญหาเป็นชีวิตที่ไม่มีความทุกข์เลยกับทีนี้เนื่องจากว่าคาสอนของพระเจ้ามีจำนวนมากซึ่งถ้าพูดตาม ตำรากันแล้วมี 80,000 พันธรรมขันธ์แต่ชั้นๆก็มีเหมือนกันแล้วก็พระเจ้าได้จัดไว้ว่าเมื่อใครได้ฟังคำสั่งสอนซึ่งอาจจะม า, าจะจะพูดต่อไปต่อไปนี้ถือว่าได้ฟังคำสั่งสอนทั้งหมดที่พระเจ้าสอนถ้าไิบัตรตามคาสอนนี้ก็เป็นการปฏิบัตรทั้งหมดที่พระเจ้าสอน ในการปฏิบัติและถ้าได้ผลก็ได้ผลทั้งหมดในการปฏิบัติตามคำสอนนี้นั่นพระพุทธเจ้าได้สอนไว้ว่าสัพเทธรรมานาลังอภินิเวสายะซึ่งแปลว่าทำทั้งหลายทั้งปวงอันใครใครไม่ควรไปยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวตนหรือของตนที่อาตมาพูดนี้ ที่ว่าได้ฟังคำสั่งสอนนี้แล้วไปปฏิบัติตามนี้ได้ผลนี้นี้พระเจ้าตัดเอาไว้และก็ตัดเป็นบาลีระดับจากประโอดครับและก็ถือว่าเป็นหัวใจของคำสอนด้วยทีนี้การไปบัดท่าเรามีปัญญามากก็บางทีก็ไม่ต้องไปบัดอะไรกันมากม า, กายไกกองและตามคำพีก็ได้กล่าวไว้ว่าวางคน ฟังธรรมจากพระเจ้าก็บรรลุธรรมต่อหน้าก็มีหรือไปบัติไม่กี่วันบรรลุธรรมก็มีเหมือนกันนั้นถ้าพูดถึงว่าไปบัตรสั้นๆกันก็มีคำสอนที่พระพระเจ้าสอนพระภายยะคือสอนว่าเมื่อตาเห็นรูปให้สักแต่ว่าเห็นหูได้ยินเสียงสักแต่ว่าได้ยินตาหูลิ้นได้รสสักแต่ว่าลิม้ม จมูกได้กลิน่นสักแต่ว่ารู้กลิน่นกายสัมผัสกับสิ่งที่มาสัมผัสสักแต่ว่าสัมผัสจิตนึกคิดอะไรซึ่งเป็นธรมรมารมก็เรียกว่าสักแต่ว่านึกคิดหรือสักแต่ว่ารู้พระพุทธสอนพระพายะอย่างนี้และพระพายะก็บรรลุธรรมเป็นพระอาหารหันต์ต่อหน้าพระเจ้าเลยและพระพายะนี้ถือว่าเป็นผู้ที่บรรลุธรรมเร็วที่สุดและยังมีอีกคําสอนหนึ่ง ที่สอนสั้นๆเหมือนกันและก็บรรลุทมได้เร็วเหมือนกันนั่นคือพระพุทธเจ้าสอนพระโมกราชซึ่งพระองค์ได้สอนไว้ว่าโมกราชเธอจงมีสติมองโลกให้เห็นเป็นของว่างทุกเมื่อเมื่อและให้ถอนอัตตานุทิฏฐิเสียเมื่อนั้น มัจจุราชจะตามหาเธอไม่พบมัจจุราชในที่นี่หมายถึงความตายนั่นหมายถึงว่าเมื่อไปบัติตามคําสอนนี้แล้วก็จะพ้นจากความตายแล้วพระโมคคราชก็ไปบัติก็บรรลุธรรมได้รวดเร็วเหมือนกันซึ่งทั้ง3คําสอนนี้จะเห็นว่าหัวใจของคําสอนนั้นอ๋อแล้ว ก, กับอีกคําสอนหนึ่งที่ว่าสําคัญในการปิบัติ นั่นคือได้สอนว่าที่เป็นทุกข์นั้นเพราะไปอุปไปอุปทานขันห้าว่าเป็นเราหรือของเราและเป็นทุกข์คืออุปทานขันห้าเป็นตัวทุกข์นั่นก็คือหมายถึงว่าการที่เราเป็นทุกข์นั้นเพราะเราไม่รู้เห็นตามความเป็นจริงแล้วไปหลงยึดไปหลงติดขันห้าว่าเป็นตัวตนหรือของตนคือเป็นตัวเราหรือของเราถ้า ตามอาจารย์พุทธทาสสอนไว้ว่าคือไปยึดขันห้าว่าเป็นตัวกูหรือของกูนั่นเองซึ่งจะฟังเข้าใจได้ชัดครับเพราะฉะนั้นการไปรบัติธรรมทั้งหมดเราก็ต้องปฏิบัติรวบรวมทั้งศีลทั้งสมาธิปัญญาเพื่อให้จิตเกิดมีปัญญารู้เห็นว่ากายจิตนี้หรือว่านามรูปนี้หรือว่าขนนันห้านี้ไม่ได้เป็นเราไม่ได้เป็นของเรา และก็ไม่ได้เป็นของกายและก็ไม่ของจิตด้วยครับทีนี้การปฏิบัติสำหรับที่วัดป่าสุกโตนี้เบื้องต้นเราปฏิบัติยกมือกันส4สี่จังหวะซึ่งถ้าเรายกไปเรื่อยๆถึงจุดหนึ่งก็จิตจะเป็นสมาธินั่นคือสมาธิกับการยกมือคือจะไม่ไปคิดถึงเรื่องอื่นตอ น, น, นแรกจะคิดไปถึงหลายเรื่องพอถึงระดับหนึ่งแล้วจิตก็จะอยู่ อารมณ์คือการยกมือทีนี้เมื่อในยกมืออย่างนี้ก็จะมีขันห้าครบอยู่ในนั้นเลยเช่นมือเราถือว่าเป็นรูปการยกก็ถือว่าเป็นรูปอันนี้ก็สามารถที่จะรู้สึกตัวเรือรู้ได้หรือว่าเห็นได้อันนี้คือรูปแล้วก็จะเห็นว่ารูปเนี้ยมีการเกิดดับ เกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับการยกมือพลิกไปพลิกมาแม้แต่ยกแม้แต่หยกมือวางไปเฉยพลิกอย่างนี้ก็แม็นการเกิดดับแล้วนั้นคือรูปเกิดเกิดดับแล้วเห็นชัดอันนี้ก็เรียนเรื่องรูปเมื่อเห็นว่าเกิดดับนี้นั้นแสดงว่ารูปไม่เที่ยงแล้วแล้วไอ้การพลิกมือก็เรียกถือว่าอิทธิบุของมือหรือว่ายกคือว่าเป็นอิทธิบุตรของบุก็ถือว่ารูปเหมือนกันไม่ใช่เฉพาะกายอย่างเดียวคืออิทธิบุ ของกายก็ถือว่าเป็นรูปเหมือนกันในทางธรรมนี้เห็นแล้วเห็นอีกจาก14จังหวะเนี่ยเพราะเราจิตเป็นสมาธิแล้วเราสามารถที่จะดูรูปเกิดดับได้นั้นก็จะเห็นว่ารูปนี้ไม่เที่ยงแล้วไม่ต้องไปถามใครไม่ต้องเชื่อตำราอะไรแล้วเพราะเราเป็นสันติโกแล้วเห็นด้วยตัวเองแล้วครับทีนี้กอรณนีที่ว่ารูปและเวทนาเหมือนกันในระว่างที่เรายกมือนี้จะมีความรู้สึกว่าสับ บายบ้างไม่สบายบ้างชอบบ้างไม่ชอบบ้างมีความเจ็บมีการเมื่อยกันอยู่แล้วจะเห็นว่าอันนี้ก็เกิดดับเหมือนกันเวทนานี้นั่นแสดงว่าเวทนาอันนี้ก็เกิดดับเมื่อเห็นเกิดก็ไม่เที่ยงครับอันนี้เห็นเวทนาแล้วทีนี้เห็นสัญญาคือการที่ว่าเรายกมือขึ้นยกมือลงสิบสี่จังหวะทํ า, ทาเฉหวะและจําได้หมายรู้นั่นคือสัญญาแล้วก็เกิด ดับพร้อมกับการยกมือกับกิยาอาการของยกมือนั่นคือสัญญาก็เกิดดับก็ไม่เที่ยงแล้วสังขารในระหว่างที่เรายกมือตรงนี้ก็จะมีความคิดมากมายอันนี้คิดถึงเรื่องปัญหาเรื่องอุปสรรคเรื่องทางบ้านเรื่องอะไรมากมายกายกองอันนี้จะเห็นชัดเห็นความคิดและเป็นเรื่องสําคัญมากเรื่องการเรียนรู้ความคิดทีนี้วิญญาณการที่เรายกมือเนี่ย การที่เรารู้ว่ามีการยกมือหรือพลิกมือใน14จังหวะเนี้วิญญาณเขาเข้าไปไปรู้แล้วเพราะการที่จะไปไปรู้อะไรได้คือรู้ด้วยวิญญาณนั้นคือวิญญาณทางกายเกิดขึ้นแล้วถ้ามีเวสนาก็วิญญาณทางเวสนากทางจิตเกิดขึ้นก็จะเห็นว่าวิญญาณนี้ก็เกิดดับก็ไม่เที่ยงเหมือนกันครับที <c oughs> นี้ กรณีที่ว่าการยกมืออย่างเนี้มีความเป็นอนัตตาด้วยนั่นก็คือการที่ยกมือหรือจังหวะที่เรายกมืออาการอย่างนี้ทั้งสี่จังหวะเนี่ยมันไม่เที่ยงไม่คงที่มีการเกิดดับขึ้นกับเหตุปัจจัยที่ปรุงแต่งบังคับปัญชาไม่ได้นั่นแหละคือความเป็นอนัตตาคือความไม่เป็นตัวตนเพราะถ้าเป็นตัวตนแล้วมันต้องคงที่มันไม่เปลี่ยนแปลง และก็ไม่ขึ้นกับเหตุปัจจัยอะไรและก็บังคับบัญชามันได้นั้นแสดงว่าการที่เรายกมือ14จังหวะนี้เราสามารถที่จะเห็นเราสามารถที่จะมีสมาธิสมาธิอันนี้ไม่ต้องถึงระดับเข้าถึงรูปฌานหรืออรูปฌานสมาธิเพียงแต่เห็นขันห้าได้ก็พอแล้วแล้วสมาธิระดับนี้ถือว่าเป็นสมาธิที่ดีดมากเรียกว่าอนันตญาสมาธิ คือสมาธิที่มีคุณมากๆครับทีนี้อันนี้พูดถึงก ร, ก ร, รณีที่ว่ายกมือนั้นก็เห็นขันห้าชัดแล้วนะครับกรณีเดินจงกรมอีกเหมือนกันกขณะที่เราเดินจงกรมการที่เราเดินเท้าเดินแล้วก็หยุดแล้วก็เดินไปเรื่อยๆอย่างเนี้ขันห้าก็มีครบอยู่ในในนั้นเห็นแล้วเห็นอีกเห็นแล้วอีกนี้เท่าเมื่อเราดูทั้งสอง การกระทํานี้แล้วจะเห็นว่าสิ่งที่เห็นกันได้นั้นมีแต่ขันห้าเท่านั้นไม่มีตัวเราอยู่ตรงไหนเลยเห็นแล้วเห็นอีกเห็นแล้วเห็นอีกเพราะปฏบัตรแล้วไม่ใช่วันสองวันบางทีปฏบัติกันหลายปีก็มีแต่ไปถึงจุดหนึ่งก็สามารถที่จะตัดสินใจลงไปได้เลยว่าไม่เห็นตัวเราเลยมีแต่เห็นขันห้าเท่านั้นนั้นก็ เรื่องตัวเราเนะี่ยหมดปัญหาไปว่าไม่มีแน่ๆครับทีนี้ถ้าสมมติว่าเอาล่ะเกิดมีความสงสัยขึ้นมาอีกเผื่อว่าเรามันอาจจะมองไม่เห็นก็ได้เพราะมันอาจจะมองมองยากมันพิเศษก็ถึงแม้จะมีตัวเราสมมติว่านะแต่ความเป็นจริงแล้วมันไม่มีอันนี้สอบอาตมาไปบัติมานะดูกันหลายปีเลยเห็นชัดเลยว่าไม่มีตัวตนจริงๆไม่แต่ขันห้าครับ ทีนี้เมื่อเป็นอย่างนี้สมมุติว่าถ้าคุณโยมยังสงสัยกันอยู่ว่ามันทีไม่ไม่แน่ก็ได้ถึงแม้จะไม่ตัวเราสมมติเป็นตัวพิเศษก็แล้วกันจะไปยึดขันห้ามยึดไม่ได้เพราะไม่มีตัวตนให้ยึดอันนี้เอากันเด็ดขาดเลยแต่ความที่มันเป็นอนิจจังความเป็นทุกข์ก็ไม่น่ายึดอยู่แล้วของพวกนี้นะมันน่าเกลียดมันไม่น่าเอาอยู่แล้วแต่ไม่เด็ดขาดเหมือนกกลับว่าไปเห็นว่ามันไม่มีตัวตนให้ยึด ถึงแม้จะมีตัวเราไปยึดมันก็ยึดไม่ได้เพราะไม่มีตัวตนให้ยึดยึดก็คว้าน้ําเหลวแล้วไม่ใช่คว้าน้ําเหลวเดี๋ยวคว้าทุกออกมาด้วยครับแล้วทีนี้มันอยู่ที่ว่าทีนี้แล้วอะไรนะ่ะที่ไปยึดไอ้ขันห้านั้นจากการไปบัติแล้วดูแล้วดูอีก จ, จากจิตสมาธิและมีความชํานาญในการไปบัติมากๆก็เกิดปัญญาหรือว่าไอ้ที่ไปยึดขันห้า น, นั่นแหละเขายึดตัวเขาเองแล้ว พอมาพูดบอกว่าเป็นเราคือเหมือนจะพูดว่าเราจริงๆตัวขันห้าเลยก็ร่วมกันยึดทีนี้พอเมื่อปฏิบัติขันห้าเองเขารู้ตัวของเขาเองเพราะเขเห็นตัวเขาเองว่าเขาเนี่ยก็ไม่มีไม่มีตัวไม่มีตนที่จยึดมีแต่เป็นอธิจังเป็นทุกขังเวตาเขาก็ไม่มีตัวไม่มีตนอะไรให้ยึดตัวใดตัวหนึ่งก็ยึดกันไม่ได้หรือรวมทุกตัวจะยึดใครก็ยึดกันไม่ได้ทั้งนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้ก็เกิดปัญญาขึ้นมา อย่างมากเลยแล้วจะมีปัญญาแล้วก็จะเกิดระดับญาณเลยทีนี้นะพูดถึงว่าระดับญาณเลยตัวนี้จะจิตจะมีความรู้สึกขึ้นมาใหม่ว่ากายเนี้ยจิตเนี้ยไม่ได้เป็นเราไม่ได้เป็นของเราและไม่เป็นของขันห้าด้วยเมื่อใครไปถึงจุดตัวนี้จะมีความพิเศษเกิดขึ้นอันนี้อาตมาไม่ต้องบอกว่าพิเศษอย่างไรจะรู้เองเพราะสิ่งนี้เนี่ยการที่ว่า ทุกชีวิตที่เกิดมาแล้วมีการยึดว่าเป็นเราหรือของเราเนี่ยอันนี้เป็นระดับสัญชาตญาณของชีวิตเลยที่เกิดมาว่าชีวิตทุกชีวิตต้องมีความรู้สึกว่ากายจิตเนี่ยเป็นเราหรือของเราเพื่อเขารักตัวของเขาเพื่อให้มีชีวิตอยู่รอดปลอดภัยต่อไปได้ถ้าไม่มีสัญชาตญาณตัวนี้ชีวิตก็อยู่ไม่ได้ก็ต้องตายและการที่ว่าจิตจะยอมปล่อยตัวเนี่ย เขาต้องเกิดไปเห็นปัญญารู้แจ้งเห็นจริงประจัดแจ้งมากๆแล้วถึงจะปล่อยได้เพราะเขาถ้าปล่อยไปแล้วเขาก็เป็นห่วงเพราะแต่ปล่อยแล้วจิตนี้จะชีวิตจะเควางคว้างเอาเอะไรมาเป็นหลักประกันเพราะฉะนั้นจิตเขาต้องไปเห็นแล้วว่าถ้าปล่อยเนี่ยเขาจะดีกว่าไม่ปล่อยแต่การปล่อยนี้จากการวัดเขาก็ปล่อยไปไปเรื่อยอยู่แล้วซึ่งเป็นระดับที่จิตใต้สำนึกที่เขาทำงานแต่เราไม่ไม่รู้แต่เรา ค่อยๆรู้ขึ้นมาว่าชักจะยึดถือไม่ได้แล้วยึดถือไม่ได้แล้วมาถึงจุดหนึ่งโพงออกมาเรกว่ายึดถือไม่ได้จริงๆเพราะด้วยประจักษ์จากการปฏิบัติครับทีนี้เมื่อเราไม่ยึดถือว่ากายจิตเนี้ยเป็นเราหรือเป็นของเราไม่เป็นของกายไม่เป็นของจิตแล้วถามว่าแล้วเป็นของใครในกายจิตหรือนามรูปนี้ชีวิตนี้นั่นก็คือเราก็ยกให้เป็นธรรมชาติไป แะธรรมชาติมันอยู่ที่ไหนอีกอไม่ต้องไปถามอยู่ที่ไหนเขาก็มีอยู่ทั่วไปทุกคนทุกแห่งอยู่แล้วถือ pues, ว uh uh uh ah ่าเป็นเรื t uh. <t uh ่องของธรรมชาติเป็นเจ้าของก็แล้วกันทีนี้เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความพบกับสิ่งที่ไม่น่ารักทัดพาดจากสิ่งที่รักต้องการสิ่งใดแล้วไม่ได้ตามปรารถนาเนี่ยมันก็ไม่มีมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นกับเราแล้วเพราะไม่มีเราแล้วแล้วก็ไม่ได้เกิดขึ้นกับกายกับ จิตเอาด้วยเพราะกายจิตเขาก็รู้ตัวเขาก็ไม่เป็นตัวเ ป, ป็นตนอะไรเพราะฉนั้นในเรื่องทั้งหมดนี้ก็คือเป็นเรื่องสมมุติในระดับที่สมมุติครับไอ้ที่ว่าเกิดแก่เจ็บตายยังเป็นเรื่องที่สมมุติแต่สมมุติอันนี้เพื่อเข้าสู่ปัจมัติเพื่อการพ้นอีกทีหนึง่งครับนั้นการไปรบัติธรรมหัวใจของการฏิบัตินั้นก็คือปฏิบัติเพื่อให้มีไม่ใช่ใเรานะให้จิตเขามีปัญญาเป็นว่า กายจิตเนี่ยหรือขันห้าเนี่ยไม่ได้เป็นตัวไม่เป็นตนยึดไม่ได้ <c oughs> อันนี้ก ร, <c oughs> กรณีหนึ่งที่ปฏิบัติทีนี้ถ้าเคยไปบัดแบบสายอาณาปานาสติอันนั้นจะเอาลมหายใจเป็นหลักในในการที่เอาเป็นเป็นกายซึ่งอันนั้นพระเจ้าตัดไว้โดยตรงมากเลยเพราะอาณาปณสติภาวนามีสิบขั้นอันนี้จะชัดเจนมากถ้าเคยไปบัิสายนี้ครับทีนี้นี่กรณีหนึ่ง เพื่อจะปฏิบัติทำให้เห็นว่ากายจิตเนี่ยไม่ได้เป็นเราไม่เป็นของเราโดยการที่มาเห็นขันห่าว่าเป็นไตรลักษณ์ทีนี้ยังมีอีกวิธีหนึ่งซึ่งนั่นก็คือปฏิบัติให้เห็นว่ากายจิตเนี่ยมันไม่ได้เป็นเราไม่ได้เป็นของเราแต่เป็นของธรรมชาติล้วนนั่นก็คือจะเห็นว่าชีวิตที่เราเกิดมาเนี่ยที่ได้มาเนี่ยธรรมชาติเป็นผู้ให้เกิดมา ถ้าเราบอกว่าเป็นพ่อเป็นแม่ก้อนนั้นก็ยังมองในระดับที่ยังไม่ถึงชั้นปฐมที่ชั้นหลุดพ้นกันได้พ่อแม่ก็ธรรมชาติให้มาปาู่ย่าตายายทวดบรรพุทธขึ้นไปก็ธรรมชาติให้ทั้งนั้นอันนี้อาตมาไม่บอกรายละเอียดเพราะถ้าบอกก็จะเป็นความจําไป็นคนโยมเอาได้ไปคิดเอาพิจารณาแล้วถึงจุดจะพล้งออกมาว่าชีวิตเนี่ยที่เกิดมาเนี่ยธรรมชาติเขาให้มาไม่ใช่พ่อแม่ไม่ใช่ปู่ย่าตายาย มีแต่ธรรมชาติเท่านั้นไม่มีเราตรงไหนที่เข้าไปเกี่ยวข้องเลยธรรมชาติล้วนๆแล้วก็พอเมื่อเกิดมาแล้วการทํางานของร่างกายและจิตระบบของร่างกายหัวใจตับไตไส้พุงปอดสมองลำไส้เส้นต่างๆก็เป็นเรื่องธรรมชาติเองทั้งนั้นที่ทําไม่มีเราตรงไหนทําเลยอันนี้ข้อที่สองและข้อที่สาการที่มีชีวิตอยู่ได้ ก็อาศัยธรรมชาติทั้งนั้นปัจจัยสี่ก็มาจากธรรมชาติทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ได้มีชีวิตอยู่ได้ก็อาศัยธรรมชาติไม่มีส่วนไหนที่เป็นของเราเลยเมื่อเห็นตั้งสามอย่างนี้ก็จะเห็นว่าร่างกายจิตใจชีวิตนี้ไม่ได้เป็นเราไม่เป็นของเราเป็นของธรรมชาติแล้วอันนี้ก็มีคำสอนของพระเจ้าเอาไว้ว่ามีแต่ธรรมชาติล้วนๆเท่านั้นแหละที่เป็นไปเป็นไปตามปัจจัยมีแต่ธรรมชาติล้วนๆเท่านั้นแหละที่มีอยู่หรือเป็นไป อันนี้ก็มีคำสอนเอาไว้ชัดเจนครับอันนี้สำหรับเผื่อว่าบางคนยิ่งมาอยู่ที่วัดป่าสุกโตนี้โอกาสดีมากเพราะเราเห็นธรรมชาติได้อย่างดีไปบัดไปไปไปถึงจุดหนึ่งพล้งขึ้นมาเป็นอย่างนี้นี่ก็ดับตัวตนได้เหมือนกันแล้วอีกกรณีหนึ่งปฏิบัติด้วยความเป็นธาตุอันนี้ก็พระพุทธเจ้าก็ตรัสสอนเอาไว้ตรงเหมือนกัน เช่นประกอบด้วยธาตุสี่บ้างธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟหรือประกอบเป็นธาตุหกเพิ่มอีกไปสองธาตุคืออากาศธาตุและวิญญาณธาตุกับหรือจะเป็นสิบแปดธาตุหรือเป็นร้อยธาตุก็ได้แต่เอาแค่หกธาตุก็พอแล้วกับทีนี้คําว่าธาตุเนี่ยคือสิ่งที่เกิดขึ้นเองเป็นเองตามธรรมชาติไม่เป็นของใครไม่มีใครไปเกี่ยวข้องกับเนี่ย และมีบทสวดพิเศษอยู่มากๆก็คือนั้นบทธาตุจัตปัจเจเวกที่บอกว่าที่บอกว่าเนี่ยปัจป จ, จัย4คืออาหารที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มและยารักษาโรคและผู้ที่ใช้สอยปัจจปัจจสนี้ เป็นสัตว์แต่ว่าธาตุตามธรรมชาติเท่านั้นที่เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยไม่ได้เป็นสัตว์ไม่ได้เป็นชีวิตไม่ได้เป็นบุคคลตัวตนเราเขาเลยเนี่ยการที่ว่ามีปัญญาปฏิบัติไปเกิดปัญญาเห็นว่าความเป็นธาตุก็จะหมดความเป็นตัวตนเหมือนกันซึ่งอันนี้ถ้าไปบัติแล้วเมื่อจิตสงบและอยู่ในสถานที่ดีๆนี้โอกาสที่เกิดญาณเกิดปัญญาอย่างนี้ได้ง่ายเหมือนกัน และพวกนี้เกิดแรงมากมา ก, มา ก, มากครับทีนี้ในระหว่างที่ว่ายังไม่ไปถึงที่สุดคือยังไม่บรรลุนิพพานตรงนี้สิ่งที่ว่าจะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดทุกข์นั่นก็คือสติเพราะเมื่อเราไปบัดมาถึงระดับหนึ่งแล้วนะสติเข้าจะเห็นความคิดอย่างรวดเร็วมากแล้วเราก็รู้อยู่แล้วว่าไอ้ความทุกข์ที่เกิดเนี่ยมันเป็นความเป็นความคิดทางนั้น ถ้าไม่คิดเลยมันก็ไม่ทุกข์ถ้าคิดถูกก็ไม่ทุกข์ไอ้ที่ทุกข์เพราะคิดผิดคือประกอบด้วยอวิชชาคือมีความโลภความโกรธความหลงปนอยู่ในอยู่ในนั้นและตัวที่ได้สุดก็คือมีตัวเราแหละไปเกี่ยวข้องมีตัวเราเรือของของเรานี่แหละแต่ถ้าไม่มีตัวเราหรือของของเราแล้วความทุกข์ก็ไม่มีเกิดกับเราได้ได้เลยทีนี้พอเกิดขึ้นมาก็สตกิก็เห็นทันทีพอเห็นทันที ไอ้ความทุกข์ที่เป็นความพิษนันมันก็ดับเห็นมันก็ดับอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการที่ว่าดับทุกข์เมื่อเกิดด้วยสติแต่ว่าถ้าปฏิบัติเกิดปัญญากันอย่างนี้อันนี้เรียกว่าดับด้วยปัญญาเรียกว่าถอนรากถอนคนกันเลยหมดรากเหง้าไปเลยกดับอวิชากันเลยคือไม่มีคือดับกิเลสดับอวิชาเพราะโคดของกิเลสก็คืออวิชานั่นแหละ เพรากิเลสมาจากอาวิชชาต้นตอตั้งเดิมที่สุดคืออวิชชาคือไม่รู้ตามความเป็นจริงหรือรู้ผิดก็ได้ครับอันนี้เรียกว่าดับไอตัวตัวนี้ใช้กันไปใช้กันไปไอความชํานาญในการที่ว่าดับไอความทุกข์อันนี้ทุกเกิดแล้ว ด, ดับแต่ว่าถ้าดับด้วยปัญญานั้นคือดับต้นห้าวกันไปเลยแต่การทํางานแล้วมันทุกอย่างเพราะทํามาจากจิตก็ร่วมกันทั้งหมดแล้วแหละแต่เพียงว่าตัวไหนมันมากกว่าสติ ปัญญาหรือสัมปจัญญะครับเื่องเวลาใกล้มาตามสมควรแล้วนะครับเพราะฉะนั้นทีนี้อาตมาจะบอกไว้อย่างนี้ป้องกันไม่ทุกเกิดนะมีวิธีป้องกันที่ไม่ไม่ให้ทุกเกิดอันนี้ครับพระเจ้าก็สอนเอาไว้โดยตรงเหมือนกันและจากพระโอษฐ์ ด, ด้วยคือถ้าอันนึงเรียกว่าทุกเกิดระดับอันนี้มันเรื่องเล็กน้อย เรื่องอดุบานกันไปแล้วสมัยปุ้ยแบบทำระดับหนึ่งเรื่องทุกเกิดแล้วดับเนี่ยแล้วเพราะส่วนมากถ้าไปแบบทำระดับหนึ่งแล้วนะทุกมันแทบจะไม่เกิดแล้วแล้วถ้าเกิดขึ้นมาแผ่วเบามากเรียกพอตั้งข้าวขึ้นมาก็ดับทันทีอยู่ไปแล้วอัตโนมัติด้วยไม่ต้องเจตนาดับครับทีนี้ป้องกันไม่ทุกเกิดทําอย่างนี้อันนี้เรียกว่าการรักษาจิตด้วยสติคือเมื่อเราเนี่ย จะเข้าไปในสถานที่ที่จะให้เกิดความทุกข์ได้ง่ายเช่นเกิดความโลภหรือความรักอย่างนี้ก็ให้ตั้งจิตไว้ไว่าจิตนี้จะต้องไม่รักจะต้องไม่โลภให้ตั้งสติเอาไว้อย่างนี้ไปเรื่อยๆอันนี้เราเตรียมตัวไว้เลยเช่นเข้าไปในสถานที่หรือเสียงแวดล้อมที่ทาให้เกิดโลภหรือเกิดรักให้ตั้งสติเอาอย่างนี้ไว้เรื่อยๆแล้วผลออกมาก็จะ ไม่โลภทีนี้เข้าไปในสถานที่หรือสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดรักโลภโกรธที่จะทําให้โกรธเราก็ตั้งสติเอาไว้ว่าจิตนี้จะต้องไม่โกรธนะจะต้องไม่โกรธนะเข้าไปในสถานที่ที่จะทําให้หลงก็ตั้งจิตไว้ว่าจิตจะไม่หลงนะไม่หลงนะเข้าไปในสถานที่ที่จะให้เกิดการมัวเมาเพลิดเพลินก็ตั้งจิตไว้ว่าไม่เพลิดเพลินไม่เพลิดเพลินทีนี้เมื่อตั้งจิตเอาไว้อย่างนี้ ปรากฏว่าก็เป็นไปได้ตามไม่จริงๆคือจิตจะไม่โลภไม่โกรธไม่หลงและไม่มัวเมาได้จริงทีงนี้ถามว่าทาไมถึงเป็นไปอย่างนั้นพระพุทธเจ้าก็บอกว่าเป็นไปโดยธรรมแต่คำสอนนี้ไม่มีรายละเอียดแต่อจตจมาเข้าใจว่าอย่างนี้หมายถือว่าไปบัตธรรมไปถึงระดับหนึ่งแล้วถึงจะมีกำลังอย่างนี้ได้แต่ถึงแม้ว่า ไปปฏิธรมยังไม่เท่าไหร่ก็ลองใช้ดูเพราะอาตมาเองก็ได้ใช้อันนี้เมื่อไปไ ป, ไปทาถึงระดับหนึ่งแล้วเกิดปัญหาขึ้นมาแล้วก็ไปเจอคำสอนนี้ก็อเอาไปใช้ก่อนแล้วก็มาเจอคำคาสอนนี้ครับให้นี่เป็นการป้องกันไม่ให้ทุกเกิดเลยครับเพราะอเ้เรืที่ว่าพูดาบังคับไม่ได้บังคับไม่ได้เนี่ยบางทีก็มองว่าอะไรก็บังคับไม่ได้มันไม่ใช่นะ คือเราบังคับโดยปัญญาคือสร้างเหตุสร้างปัจจัยให้เกิดขึ้นเพราะสิ่งตั้งหลายมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเราสร้างเข้าไปคือเมื่อเราไปประธรรมได้ระดับหนึ่งแล้วเมื่ออย่างที่เราเป็นทุกข์เนี่ยเพราะไอ้ายโง่ไอ้ายอวิชาฝ่ายกิเลสมันบังคับไอ้ฝ่ายดีว่าอย่างนั้นนะายปัญญามันก็ถูกฝ่ายโง่มันก็บังคับทีนี้เมื่อเราไปฏิธรรมเราก็มีสติมีสัมปะยะมีปัญญามีสมาธิเราก็บังคับไอ้ายโน้บ้างไอ้ายกิเลสไอ้ายทุกข์ครับ นี่ครับแล้วทีนี้นี่เป็นสำหรับที่ว่าทั่วๆไปนะเป็นคำที่สาคัญมากๆอยู่ถ้าเมื่ออะไรเกิดขึ้นมาเนี่ยให้เอาคำว่าธรรมดาไปใช้ให้ทันท่วงทีไปเลยรับรองว่าความทุกข์กองถ้าเกิดแล้วก็ดับเหมือนกันเพราะคำว่าธรรมดาเนี่ยจริ ง, รงๆแล้วไม่ใช่คำว่าไม่ไม่ใช่ธรรมดานะเหมือนอย่างพระ อ, ญญอนันยาโกนตัญญะที่พระเจ้าสอนแลบรรลุธรรม ท่านก็บอกว่าสิ่งใดมีความเกิดขึ้นสิ่งนั้นก็ย่อมดับไปธรรมดาท่านใช้คําว่าคําธรรมดานะความมีอเกิดขึธรรมดาธรรมดาเพราะเมื่อเรามีคําว่าธรรมดาธรรมดานี้มันก็ไม่ตกแต่งไปเป็นอย่างอื่นแล้วและมันธรรมดาจริงๆด้วยการเกิดการแก่การเจ็บการตายเป็นเรื่องของธรรมดาอันนั้นหมายถึงว่าถ้าเรายังไม่ถึงขั้นสุดแต่ขั้นสุดขั้นสุดแล้วมันก็ไม่มีใครเกิดไม่มีใครแก่ไม่มีใครเจ็บไม่มีใครตายแล้ว นั้นระหว่างที่เรายังไม่ถึงตุนนั้นแล้วก็ใช้คําว่าธรรมดาถึงบรรลุธรรมแล้วถึงชั้นสูงสุดแล้วยังเป็นธรรมดาอยู่นั่นเองแหละแต่ธรรมดาชั้นสูงสุดครับและกับอีกคําหนึ่งที่อาจารย์พษษษษษุทธทาสใช้มากก็คือเช่นนั้นเองคือตาตาตาหรือตาตาตาอันเนี้ยสุดยอดหรือสูงสุดของปัญญาเพราะในบรรดาคือความหมายของเขาคําว่าตาตาเนี้ยคือสิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุตามปัจจัย และก็เป็นไปนี้เป็นตามกฎของธรรมชาติเป็นธรรมชาติด้วยเป็นเช่นนั้นเองเพอในเกิดขึ้นมาก็เช่นนั้นเองเช่นนั้นเองเช่นนั้นเองตั้งหลักเอาไว้ไว้ก่อนในระหว่างที่เรายังไม่มีธรรมะแก่กล้าอะไรแต่ถึงสูงสุดก็คือเช่นนั้นเอง่ะเพราะคําว่าเช่นนั้นเองคือสุดยอดของปัญญาแล้วหมายถึงว่าที่ปัญญาที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาหรือสุญญาตาอิทัปปิญาตาปฏิจารุบาทอะไรที่ว่าองค์ธรรมสามสิบเจ็ด พกาญะโพธิปักกิจธรรมสามจุดกาญะก็รวมอยู่ในคำว่าเช่นนั้นเองนั่นแหละแต่ว่าเรายัางไม่ถึงจุดตนั้นเราก็เอาตรงนี้ไปก่อนเอาเช่นนั้นเองเช่นนั่นคือไม่เป็นธรรมดาธรรมชาติที่เขาต้องเป็นไปอย่างนั้นครับเนี่ยเรคิดว่าเวลาตามสมควรที่กําหนดเอาไว้กับนั้นก่อนจะจบคําบรรยายอัตมาก็ขอ อำนาจคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และผลบุญผลกุศลผลธรรมที่เราได้ไปฏิบัติกันมาแล้วได้เป็นเหตุเป็นปัจจัยส่งผลให้เราได้บรรลุมรรคผลนิพพานในชาตินี้ด้วยกันทุกท่านเทิน